รสชาติของธรรมะนะใจไม่ถึงก็ไม่ได้รู้รสก็ไปหารสอร่อยอย่างอื่นแทนสนุกสนานเฮฮาไม่รู้จักรสของธรรมะรสของความสงบสุขรสชาติอื่นๆสู้ไม่ได้แล้วจืดชืดเราพอวนานะใจเราเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะนะ อย่าว่าแต่รถอย่างอื่นเลยนะทั้งโลกทั้งโลกยังจืดชืดเลยไม่เห็นมีสาระแก่นสารตรงไหนเลยมันอร็ออร่อยมันสนุกสนานสำหรับคนหลงแื่โลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์คนเขาไม่ติดอยู่นึกว่ามีความสุขเพลิดเพลินเราพอนาเราดูความจริง รูปนามกายใจนี้ดูไปเรื่อยใจมันเห็นความจริงของรูปนามกายใจนี้มันก็เข้าใจโลกไปด้วยมันลักษณะเดียวกันกระทั่งกายนี้ใจนี้นะยังไม่ใช่ของดีของวิเศษที่พึ่งที่อาศัยได้โลกที่ร่างกายจิตใจนี้อาศัยอยู่มันจะวิเศษสักแค่ไหนเชียวคือถ้าเมื่อไหร่เห็น จิตไม่ใช่เราซะอันเดียวนะโลกทั้งโลกก็ไม่ใช่เราและถ้าเมื่อไหร่เห็นจิตเป็นทุกดวงเดียวนียเป็นทุกเลยโลกก็เป็นทุกไปหมดแล้วที่จิตมันอาศัยอยู่ทั้งร่างกายเป็นที่ที่จิตอาศัยอยู่งั้นถ้าเรามีปัญญาแก่กล้าจริงๆนะเข้ามาถึงจิตถึงใจมาเห็นความจริงของจิตของใจจิตนี้ไม่ใช่เรา กระทั้งจิตไม่ใช่เราร่างกายก็ไม่ใช่เราโลกข้างนอกก็ไม่ใช่เรากระทั้งจิตก็เป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยเป็นศูนย์กลางของความทุกข์เห็นอย่างนี้นะกายก็ทุกข์ไปด้วยโลกก็ทุกข์ไปด้วยเห็นที่จิตทีเดียวนะก็เห็นทั้งหมดตัดที่จิตทีเดียวก็ตัดทั้งหมดเลยมันเป็นศูนย์กลางนี่พวกเรายัางไม่เห็น เราเริ่มเห็นแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเริ่มเห็นบ้างว่าจิตไม่ใช่เราแต่จิตมันยังไม่ยอมรับถ้าจิตยอมรับได้ก็ได้โสดาเป็นโสดาบันรแล้วเนี้ยยังไงไงมันก็ไม่กลับมาเป็นเราอีกไม่ต้องดูแลรักษานะยังไงก็ไม่เป็นถ้าไม่ใช่โสดาบันดูไปแล้วไม่มีเราไม่มีเรา มันจะมีเงาของความเป็นเรานะแฝงอยู่ลึกๆซ่อนอยู่ในจิตอีกก็ยังเห็นอยู่ว่าเป็นเราอาจจะมองยากพวกเราเห็นไ้ยมีความเป็นเราในจิตใจของเราแต่ละคนรู้สึกไม่มีเราอยู่ถ้าเห็นเราใช้ได้นะถ้าคนไหนไม่เห็นให้มารีบมาปรึกษาด่วนนะ พอเห็นอย่างนี้นะเห็นความจริงแท้ของจิตของใจก็เข้าใจกายเข้าใจโลกภายนอกที่แวดล้อมร่างกายนี้อยู่ด้วยเข้าใจคนอื่นสัตว์อื่นเข้าใจสิ่งอื่นด้วยมันเป็นเสมอกันไปหมดเลยด้วยความทุกข์มันเป็นอันเดียวกันด้วยความไม่เที่ยงด้วยความเป็นทุกข์ด้วยความเป็นอนัตตาเสมอกันไปหมดเนะ ภาวนาไปถึงจุดหนึ่งแนละมัเห็นโลกนี้ราบไปหมดครูบาอาจารย์บอกโลกราบเป็นนักกลองไม่เห็นมีอะไรเลยคนเขาก็สนุกสนานกระโดดโลดเต้นโลกมีสีฉันชูชาติถึงหน้ากรถินทอดกรถินหน้าพระป่าทอดพระป่านี้ความสนุกสนานของชาววัดแต่ก่อนมากกว่านั้นอีกนะมี เทศกาลต่างๆมากมายเอาไปสนองความต้องการของคนนั่นแหละในสำนักกรรมฐานครูบาอาจารย์ไม่มีงานอย่างงานวันเกิดครูบาอาจารยนะ์มีแต่เทศงานวันตายของครูบาอาจารย์ก็มีแต่เทศงานอะไรๆนะก็มีแต่เรื่องธรรมะตั้งนั้นเลยไม่มีการลเล่นไม่มีเฮฮาเพลิดเพลิน ตั้งโลกทานแล้วก็ขาดสติเฮ้ฮฮ่าๆดูดุกว่าเปล่าเป็นเรื่องของคนหลงพวกเราลูกศิษย์พูดเจ้าไม่ใช่คนหลงคนโง่ทำไรเรามีสติไปเรื่อยโลกไม่เห็นจะมีอะไรนักหนาเลยไปหลงอะไรกับมันนักหนามันดีมันวิเศษแค่ไหนอยู่กับโลกอยากได้อะไร อยากได้อะไรบ้างลองนึกสิอยากได้อะไรมากที่สุดคงไม่บอกว่าอยากนิพพานนะให้นิพพานตอนที่เอาไหมใครเอาบ้างแน่จริงหรือเปล่าแน่จริงเปล่าพวกผู้ชายที่ยกมือออกบวชเลยไหมวันเนี้บวชแล้วไม่มีกำหนดศึกเลยนะ ชาตินี้ไม่ได้ยุ่งกับกามอีกแล้วนะใจถึงมาบวชชั่วคราวกับบวชแบบไม่มีกำหนดเลยนะมันไม่เหมือนกันด้วยนะใจนี่มันจะไม่เหมือนกันนะอย่างเราเคยกินข้าวเย็นทุกวันนะบวชแล้วรู้สึกต่อไปนี้จะไม่ได้กินข้าวเย็นอีกทั้งชาติแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะ เคย อ, อยู่กับผู้หญิงแต่เป็นนี้จะไม่อยู่แล้วทั้งชาติเลยเลิกเลยเลิกเด็ดขาดเลยใจไม่แข็งจริงแล้วเอาไม่รอดหรอกยากกว่ากันเยอะเลยถ้าบอกว่างดเว้นสามเดือนเข้าพรรษานี่ง่ายยากอะไรเพราะฉะน้ที่พวกเรายกมือสลด น, นะหลวงพ่อก็ยังไม่เห็นจริงด้วยไม่เห็นจริงด้วยเท่าไหร่หรอก ที่ยกมือยกมือรู้สึกไหมวันๆหนึ่งเที่ยวหาความสนุกยังหาอยู่ไหมยังหาความสนุกอยู่ความมันเล็ดอร่อยอยู่หาไหมนั่นจะเป็นอนิพพานอะไรนะยังไม่ต้องเอาขนาดนิพพานออกเอาโซดานะเอาไปตามชั้นตามภูมิเราเป็นผู้ทุชนนะก็มุ่งเป็นพระโสดาบันก่อนโซดาบันไม่ต้องละอะไรเยอะหรอกถือศี่ห้า ถือศีลห้าลากความเห็นผิดว่ารูปนามนี้เป็นตัวเราของเรามีเราอยู่ในรูปนามนี้มีเรานอกเหนือรูปนามนี้อะไราเงี้ยั่ลความเห็นผิดมีความแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาไม่คลอนแคลนพวกเราเคยรู้สึกไหมว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงนี่เคยรู้สึกไหมพระพุทธเจ้าสอนจริงหรือไม่จริงนี่เคยรู้สึกห จะจริงแลทวาำวิปัสสนาแนละ้วจิตมันหลุดพ้นได้มันมีคลอนแคลนนะมันมีลังเล ส, สงสัยพระพุทธเจ้าจริงไม่จริงพระธรรมมีจริงไม่จริงพระสงฆ์มีจริงไม่จริงดูสิพระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงทั้งหลายประชิกไปตั้งเท่าไหร่แล้วก็ <c oughs> วเราไปตั้งเอาเองว่าคนนี้เป็นพระอรหันต์นี่พระอรหันต์นี่พระอริยนวันชั้นนั้นชั้นนี้ ที่ใจเราก็คลอนแคลนถ้าเป็นโสดาบันใจ่ะไม่คลอนแคลนเนละให้พระปะรัชชิกหมดโลกเลยก็ไม่คลอนแคลนใจเราเข้าใจธรรมะแนละ้วก็ ร, รู้ว่าพระจริงเป็นไงพระปลอมเป็นไงธรรมะแท้แทปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริงเราจะไม่เชื่อ ไม่เชื่อตามๆกันไม่งมงายมีเหตุมีผลธรรมะของพระเจ้าเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเราไม่มีที่พึ่งนอกศาสนาพุทธพวกเรามีที่พึ่งนอกศาสนาพุทธไหมมีไหมคิดว่าพึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจะพ้นจากทุกข์ทั้งฝูงใจก็อย่างงอนเงนงอนเง น, งนถ้าเป็นโสดาแล้วก็ไม่ไม่คลอนแคลน ไม่มีสารณะอื่นนอกเหนือจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สารณะนี้ไม่ใช่แปลว่าที่พึ่งแบบโลกโลกนะอย่างลูกก็พึ่งพ่อพึ่งแม่แต่มันไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่สารณะที่พึ่งแบบนั้นเรียกว่านาถะเป็นนาถะเป็นที่พึ่งที่พึ่งแบบสารณะเนี่ฝักเป็นฝักตายแบบพาให้เรารอดได้จริงๆ ของเราก็ปนปนกันไปนับถือโนอนนับถือนี่ไปด้วยจิงจกมีสองหางเราก็ไหว้แล้วใครไปลอดใต้ทุนโบสมาบ้างมีไหมใครเคยไปรอดใต้ทุนโบสใครไปนอนในโลงศพมาบ้างมีไหมมีพิธีกรรมมากมายนะหวังว่าจะอะไรหวังว่าจะเห็น ชาวพูดไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกชาวพูดเข้มแข็งกว่านั้นชาวพุท้แท้ๆโสดาบันเชื่อกรรมเชื่อผลของกรำรก ร, รมไม่ดีให้ผลมาเราต้องเจอสิ่งไม่ดีแต่ท่านไม่ได้ให้ยอมจำนวนกับกรรมปรากฏการที่ไม่ดีเกิดขึ้นท่านให้ทําก ร, รมใหม่ที่ดีอย่างเรามีปรากฏการยากจน เกิดมาโ จ, โจนพ่อแม่ก็จนนี่เป็นวิบากเป็นกรรมเกา่ากรรมเกา่าที่ไม่ได้ทำทานอะไรเงี้ยมันให้ผลมาบางชาติเคยทำนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ให้ผลก็มีไม่ใช่ไม่เคยทำเลยแล้วเกิดมาจนบางคนจนอยู่ช่วคราวแล้วรวยขึ้นมาได้เกิดมาจนก็เป็นกรรมเกา่าก็ต้องทำกรรมใหม่ที่ดี เวลาอิทธิพลของกรรมเก่าไม่ใช่แก้กรรมกรรมแก้ไม่ได้แต่ทำกรรมใหม่ที่ดีกว่าพระเจ้าก็สอนถ้าจนทำไงจนก็รู้จักขยันทรมาหากินรู้จักเก็บออมรู้จักเลือกคบคนรู้จักดำรงตัวพอสมควรแก่ฐานะมีเงินน้อยก็ใช้น้อยน้อย อย่างนี้ก็แก้จนได้ก็เป็นการทำกรรมใหมนะ่แล้วอิทธิพลของกรรมเก่าเนี่ยมันลดลงชาพุทธไม่ได้แก้กรรมแก้ไม่ได้กรรมทำไปแล้วเป็นอดีตแต่ทำกรรมใหม่ที่ดีกว่านะมันจะเจือจางอิทธิพลของกรรมเก่าท่านเทียบนะคล้าย เรามีน้ำอยู่แก้วหนึ่งเราเอาเกลือใส่ไปช้อนหนึ่งน้ำนี่เค็มเราเอาแก้วน้ำนะที่ใส่เกลือเนี่ยเทยลงในตุ่มก็เติมน้ำลงไปเรื่อยๆรสเค็มของมันเนี่ยเจือจางลงนันวิธีแก้กรรมของชาวพุทธนั่นะคือทำความดีความสะอาดให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อเจือจางผลของกรรมชั่วนี่คือวิธีแก้กรรมนะ นอกนั้นเป็นวิธีให้กำลังใจเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้เราก็จะรู้เราเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องเหตุเรื่องผลเราเชื่อแน่นแฟนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ถือศีลบําเพ็ญลดปฏิบัติธรรมแบบงมงายถือศีลปฏิบัติธรรมแบบงมงายเช่น เดินจงกลมมานหนึ่งยี่สชั่วโมงได้ก็จะบรรลุเร็วมุมไงบรรลุไม่บรรลุไม่ได้อยู่ที่ท่าเดินอยู่ที่จิตจิตหเห็นความจริงไหถ้าจิตเห็นความจริงได้เยอะๆก็บรรลุเร็วแต่บี้แต่บันเดินไปเรื่อยๆไม่เห็นจะบรรลุตรงไหนเลยหรือบอกอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งไม่นอนอย่างเงี้ยก็จะบรรลุเร็ว สัตว์หลายชนิดเลยนะที่ไม่นอนยืนอยู่เฉยๆมันหลับด้วยการยืนหลับมันน่าจะบรรลุพระอรหันต์ไปแล้วละสัตว์บางตัวถ้าลงนอนเนี่ยนะคือตายตายเลยามันไม่ได้อยู่ที่กระบวน่ามันอยู่ที่การเจริญสติเจริญปัญญานะอบรมจิตใจไปได้ยไม่ท้อถอย ไม่ได้คิดว่าต้องกินอย่างนี้ถ้าเรากินอาหารอย่างนี้เราจะบรรลุเร็วถ้ากินข้าวเปลือกแทนข้าวสารแล้จะบรรลุเพราะว่าไม่ยึดถืออะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกศิลพัสตะประมาทนง่งายถือศีลมันเป็นพรสแบบไม่เข้าถึงแก่นรูปรูปคลําคล้ไม่เข้าถึงแก่นของการถือศีลปฏิบัติธรรมเรา จเจริญสติไว้นะแล้วตัวอื่นมันค่อยๆดีขึ้นเองอ่ะค่อยรู้เท่าทันตัวเองไปคนไหนเกลียดพ่อเกลียดแม่บ้างมีไหมเม่ถ้าพ่อแม่มาในที่นี้ไม่ต้องยกมือนะ <c oughs> ไม่ต้องให้เขารู้ก็ได้เกลียดพ่อเกลียดแม่เราเลือกได้เปล่าไม่ได้กรรมจัดสรรให้เรามาเกิดตรงนี้แหละต้องมาอยู่อย่างนี้แหละ เราอาจจะเคยเป็นพ่อแม่ชั้นเลวอย่างนี้ก็ได้นะเรืราววิบากมีแล้วทำไงมีแล้วทำกรรมให้หนักขึ้นหรือทำกรรมใหม่ะเจริญเมตตาจเจริญอะไรไปทำกรรมใหม่ที่ดีนะมันกจะลดอิทธิพลกรรมเก่าที่เลวลงไปเป็นชาวพุทธต้องมีเหตุมีผลนะ ชาวพุทธไม่มีเหตุมีผลชาวพุทธสนุกสนานเฮฮาในจำนวนบาลีเขมีอะไรนะเขามีเถิดเทิงก็ไปเขามีกลองยาวเข้าไปอะไรนะจำนวนอย่างนีน้สนุกไปเรื่อยๆรื่ของเราก็แต่ ก, ก่อนนะชอพากันเที่ยวถูกหลวงพ่อดูเอาได้่อยเ่าชอบพากันเที่ยวเที่ยวไปวัดโน้นวัดนี้เที่ยวไปสนุก เฮ้ hey, hey, hey, hey. ตามกันไปไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษหรอกครูบาอาจารย์ผ่านมาก่อนเห็นทุกข์เห็นโทษอย่าห้ามไม่ใช่ทางเวลาของเรามีน้อยนะชีวิตคนเนี้ยฉเฉลี่ยก็ประมาณ75ห้าปีอายุฉเฉลี่ยของคนรุ่นพวกเราเนี่ย75ปีเนียเราไปนอนซะยี่สิปีแล้ว เอาไปทำงานซะอีกตั้งเยอะเวลาที่เหลือวันหนึ่งวันหนึ่งนะในวันหนึ่งนอนกี่ชั่วโมงใครนอนแปดชั่วโมงบ้างมีไหมใครนอนน้อยกว่านั้นใครอยากนอนเยอะกว่านั้นแต่ไม่มีโอกาสจะนอน <c oughs> บางคนอยากนอนสัก1ิบชั่วโมงแต่มันไม่ได้นอนอนะ่ะงานมันเยอะแยะไปหมดนะมีเรื่องเครียดเต็มไปหมดทั่วทั่วไป จริงๆอะถ้าจิตมีสมาธิจริงๆนะจะนอนห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี้ยเต็มอิ่มสดชื่นนอนเกินกว่านั้นไม่สดชื่นเลยนอนมากกว่านั้นเรียกนอนสมนอนจริงประมาณห้าชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้ามันโสมมากทางจิตใจนะมันจะนอนมากกว่านั้นหรือร่างกายมันเหนื่อยมากมันนอนมากกว่านั้นก็ทั่วไปก็อาจจะนอน วันนึงชั่วโมงคิดง่ายๆหนึ่งในสาของวันนะถ้าอายุเี็75ปีก็คือนอนไป25ปีแล้วเหลืออีกเท่าไหร่เหลือ16ชั่วโมงทำอะไรบ้างทำงานกี่ชั่วโมงวันหนึ่งใครทำงาน8ดชั่วโมงมีไหมใครทำงานมากกว่า8อีกมีไหมโอนมากกว่า8ดชั่วโมงยังนั่งรถไปทำงานอีกมีไม นั่งรถกลับจากที่ทำงานมาบ้านอีกอเวลาถูกเบียดเปลี่ยนไปหมดเลยเหลือเวลาว่างวันละกี่ชั่วโมงใครเหลือว่างวละสามชั่วโมงมั้งองเบสซี่มีไหมไม่มีเลยเหรอมากกว่า น, นั้นไหมใครมากกว่าสามใครน้อยกว่าสามใครว่าห้าชั่วโมงมั้งมีไหมประมาณสี่ห้าชั่วโมงเล่นใดอีกกี่ชั่วโมง หมดเลยโอ้แล้วมันจะภาวนาตอนไหนเนาะนี่นะเอาเวลาไปนอนไปทำงานไปกินไปเที่ยวไปเล่นนะอยากปฏิบัติธรรมอยากได้มรรคผลยกมือกันแยะเลยนะแล้วมันจะได้ยังไงถ้าอยากเปล่าๆไม่ได้นะต้องลงมือลงแรง แล้ถ้าเราภาวนาเป็นตามหลักที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อรู้ว่าคนรุ่นเราเนี่ยมันทำงานหนักขนาดไหนมันไม่เหมือนคนรุ่นปู่ย่าตาใหญ่ทาไร่ทํานานะหมดฤดูทํานาก็ว่างแนละ้วถึงหน้านาน้ง า, า, านหนักหมดฤดูนาว่างไปทั้งหลายเดือนมีเวลาเยอะแยะเลยฮนะเวลาไปตีไก่กัดปลาเนี่ยเขามีเวลาภาวนาเยอะนะถ้าเขาภาวนา ของเราเนี่ยวันวันหนึ่งหาเวลาภาวนาสักสองสามชั่วโมงอย่างยากเลยยากมากหลังจากทําอะไรเสร็จแล้วเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะคือเป็นเวลาที่สมสารซะแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงซะแล้วจะมานั่งภาวนาก็นั่งนั่งหลับไปเรื่อยๆครบชั่วโมงสองชั่วโมงที่ตั้งใจไว้ว่าจะหลับในสมาธิ <c oughs> ก็ลงไปนอนหลับต่อ <c oughs> ไม่มีเรี่ยวมีแรงอย่าทำหรอก หลวพ่อเข้าใจว่าวิถีชีวิตของคารวะยุคนี้มันเป็นอย่างนี้ถึงสอนกรรมฐานที่เราสามารถปฏิบัติในชีวิตจริงๆนี้ได้ไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมนานนในแต่ละวันซึ่งเราทําไม่ได้เราไม่มีเวลาฉะนั้นเราพยายามเจริญสติอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถ้าเราทําอย่างนี้ได้มันจะไม่เบียดบัง เวลาของการปฏิบัติเลยนะการปฏิบัติเนี้จะไม่เบียดบางเวลาทํางานด้วยมันจะกลืนกันไปหมดเลยเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยอย่างตอนที่เรานั่งรถไปทํางานเนี่ยอยู่กรุงเทพนั่งรถกันทิ้งเป็นชั่วโมงรถติดเนี้ยนี่ปฏิบัติได้ตลอดเลยไม่เสียเวลาอยู่ในห้องน้ํานั่งอือนั่งฉี่ก็ปฏิบัติได้ไม่ได้เสียเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวก็ปฏิบัติได้นะ แต่ว่าอย่าถึงขนาดใส่รองเท้าข้างละสีก็แล้วกันนะมัวแต่จเจริญสติจริงๆขาดสตินะใส่รองเท้าสองข้างไม่เหมือนกันอนะไรเงี้ยจะกินข้าวจะอาบน้ำํำจะนั่งรถนะทําอะไรก็ปฏิบัติวิธีปฏิบัติทําไงเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิน่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกาย ก, ายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกหลงแต่ง เกิดส <S an> ุขให้ร <S an> ู <S an> ้เก <an> ิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลบกรดหลงให้รู้ให้รู้ให้เห็นอย่างที่มันเป็นเท่านั้นแหละเราก็จะเห็นในสุขมาแล้วก็ไปทุกข์มาแล้วก็ไปดีมาแล้วก็ไปโลบโกดหลงมาแล้วก็ไปเห็นแต่ทุกอย่างไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปเห็นอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยจะกินข้าวก็ทําได้กินข้าวจะไปซื้อข้าวขินจากที่ทํางานข้าวไปตามร้านค้า มันก็อาหารเหมือนกันทุกวนนะแม่ค้าคนไหนมันเคยขายอะไรก็ขายอย่างนั้นแ่ะเพราะว่าจิตย่อมไหลไปตามความเคยชินเนีย่ยคนที่เคยชินจะขายไข่เจียวก็ขายอยู่อย่างนี้ทั้งชาติเลยนะเราก็ดีอย่างนะไม่ต้องเลือกสบายใครชอบเลือกเวลากินเลือกมากเลือกนานมีไหมเลือกร้านนี้ยังไม่พอไปอีกร้านหนึงต่อไปอีกร้านหนึงสุดท้ายหมดเวลาไม่ได้จะกินอะไรกลับมากินมาม่าต่อ ไม่ค้าขายเหมือนกันทุกวันก็ดีไม่ต้องเลือกถึงเวลาก็เดินไปเลยจิตเจ้านี้เจ้านี้รู้เรื่องพระสบายนะพระไปไหนก็ใส่ชุดเดียวเนี่ยไปทุร่าอะไรก็ใส่ชุดเดียวกันนี้นึงสบายไม่ต้องเลือกสบายของเราต้องเลือกเลือกตั้งแต่ทรงผมทาเล็บสีอะไรทาตาสีอะไร สีไหนจะดูน่าเกลียด น, น่ากลัวกว่ากันบางคนน่ากลัวจริงนะเห็นแล้วโอ้เห็นแล้วน่ากลัวจริงอ่ะสวยเหมือนกันนะแต่สวยแบบพวกไก่ฟ้าพยาล้อนกบางตัวนะสีส really. ันแซ่บมากเลยตาสีหนึ่งขอบตาสีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะหน้าสีหนึ่งตัวสีหนึ่งเท้าอีกสีหนึ่ง นกกระเต็นนอกอะไรนี่สียสวยรู้จักไหมนกกระเต็นเคยได้ยินชื่อไหมนกกระเต็นเคยได้ยินนกตะขาบไหม น, นกตะขาบทุ่งสวยนะนกสวยสวยสีแซบแซ่บเหมือนที่พวกเราพยายามทํา <laughs> แต่หลวงพ่อนะ่ ไปปล่อยบัวปล่อยควายบ่อยนะหลวงพ่อพอมว่าตาพวกเราเนี่สวยสู้บัวไม่ได้บัวตาสวยกว่าพวกเรานะรู้สึกไหมแล้วตามันเย็นตามันมีความสุขนะสงบเย็นตาพวกเราล็อกเล็กลอกแลกต้องฝึกนะฝึกตาหูจมูกลินก้นกาเจกระทบอารมณ์ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้รก็เห็นว่ามันมาแล้วไปเวลาทำงาน ทำงานไปเกิดขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยรู้ทันแล้ ว, ว่าขี้เกียจได้ปฏิบัติแล้วก็เห็นความขี้เกียจมาแล้วความขี้เกียจไปจะรีบทํางานก็คนเขาโทรศัพท์เข้ามาเรื่อยเลยได้ยินเสียงโทรศัพท์พระโมโหละใคยเป็นไหมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วโมโหเป็นไหมบางคนก็ได้ยินโทรศัพท์พระโมโหนะแต่ต้องมีสามเครื่องะจะได้โมโหกําลังสามมีหลายเครื่องนะ บางคนมีหลายเครื่องเป็นคราวาดหลายเครื่องก็ไม่ปแปลกนะพระบางวงมีโทรศัพท์หลายเครื่องด้วยนะส <c oughs> ามจีสี่จีก็ยัาไปเล่นเน็ตอะไรไม่ได้เอาไว้โทร <c oughs> เป็นคราวาดนะทำมาหากินเวลาส่วนใหญ่เนะี่ยเอาไว้ทำมาหากินจนกระทั่งเวลาจะเลี้ยงลูกยังไม่ค่อยมีเลยเวลาดูแลลูกไม่มี เวลาดูแลสามีพัญญาไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ก็ไม่มีเหลือแต่เวลาเล่นเน็ตเวลาอื่นๆไม่ค่อยมีแล้วเวลาหมดไม่ว่างงั้นเราฝึกนะฝึกให้รู้เท่าทันเราจะไม่เสียเวลาเปล่าโทรศัพท์มาโมโหรั้ว่าโมโหหยิบขึ้นมาอ๊ยกลายเป็นเสียงหวั่นแล ว, วถูกอกถูกใจ ใจเกิดพอใจขึ้นมารู้ว่าพอใจฝึกของเราไปอย่างเราจะเห็นเลยโทสะเกิดแล้วก็ดับราคะเกิดแล้วก็ดับความดีความงามเกิดแล้วก็ดับความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับความหดหู่เกิดแล้วก็ดับอะไรๆก็เกิดดับหมดสุขทุกข์อะไรก็เกิดดับเนี่ยฝึกไปด้วยดูไปด้วยหลวงพ่อมาก่อนรับราชการนะเป็นหน่วยงานที่ประชุมบ่อยเช้าประชุมบ่ายประชุมอนะไรเงี้ย ประชุมบางประชุมนะเราเห็นในองค์ประชุมคนที่มาประชุมนะเห็นเราเอียนมากเลยไม่มีแต่พวกน้ำท่วมทุ่งไม่มีเนื้อหรองพูดอยู่นั่นนะพูดมากเลยเวลาเข้าประชุมนะเห็นคนหลายประเภทพวกหนึ่งนะฉลาดแต่ไม่ยอมพูดพวกนี้กลัวดอกพิกนร่วงสมนนโบราณ น, นะไม่พูดนะต้องแยหาทางให้พูด อีกพวกหนึ่งฉลาดแล้วก็ช่างพูดอีกพวงหนึ่ ง, งโง่แล้วเงียบพวกงเนี้ยน่ารักอีกพวกหนึ่งโง่แล้วขยันพูดโอ้โอพว่งเนี้ยนะน่ารำคาญที่สุดเลยเนี่ยพอเราได้ยินคนที่เขาพูดมีกลืนนะมีฉลาดอะไรเงี้ยเขาพูดนะสนใจสนใจรู้สึก ด, ดีใจว่าคนนี้ยอมออกความเห็นนะ ยามให้ข้อมูลข้อมูลเขาดีอะไรเงี้ยเราพอใจเห็นพอใจแะเห็นไอ้คนนี้ยกมือหมายแล้วนะสำนวนเดิมโบราณของผีเจาะปากทําไมต้องผีเจาปากากันล่ะเราพูดพูดพูดพูดถึงช่วงเนี้ยนะ่ยเราได้กําไรทีแรกมโมโหมันนะตอนมาเอาไอ้นี่เริ่มพูดเหรอเราก็ทําตาแป๋วแป๋เนี่ย เราหลบเข้าสมาธิอยู่ข้างในนะได้ทําสมถะแล้วนะอถ้าถอยออกมาว่ามันเลิกยังโอ้มันยังพูดอยู่มโมโหอีกแล้วได้ทําวิปัสสนาแล้วเห็นความโมโหเกิดดับปุ๊บเข้าไปพักใหม่ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอยู่ตรงไหนเราก็ภาวนาได้รถติดก็ภาวนาได้รถผ่านฉลุยไม่ติดเลยเจอแต่ไฟเขียวตลอดดีใจอย่างเงี้ยเรก็เห็นว่าดีใจก็ทําไดนะ้เราฝึกเข้า ในชีวิตกระวาดจะมาหวังว่าว่างงานซะก่อนแล้วค่อยฝึกนีไม่ได้ฝึกหลอกชาติเนี้ยเพราะชาตินี้ไม่เคยว่างพอว่างเราก็เอาไปทําอย่างอื่นหมดนะงั้นฝึกตัวเองด้วยการหลอมรวมการปฏิบัติเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงๆนี้ให้ไดนะ้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกมันรู้สึกมันรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆจะเห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะ ฝึกอย่างนี้ก็พอได้อยู่รักษาศีลห้าไว้ฝึกของเราอย่างนี้แล้วอะไรที่งานสังคมอะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะเสียเวลางานสังคมนี่ทั้งหมดนะกระทั่งงานบุญงานอะไรนี่งานสังคมทั้งนั้นแต่สังคมชาววัดเสียเวลามากบุญก็ทําไปเถอะไม่ได้ห้ามนะทําตามการอยากจะไปทอด กะินทอดพ้าป่าอะไรก็ไม่ได้ห้ามหรอกแต่ไม่ใช่ตารางทอดกะินเธอเต็มเดือนเลยนะเราเราบอกไม่มีเวลาภาวนาเนี้ยไม่ได้เรื่องเลยจะไปทอดกะินนั่งรถไปก็ภาวนาไปไม่ใช่คุยจอยจ้อยไปทําอะไรก็กํากับการภาวนาเข้าไปไม่งั้จะเสียเวลาตายเปล่าๆไปชาติหนึ่งไปกินข้าวไปกินข้าวก็ภาวนานะไม่ใช่เราไปเข้าห้องน้ําก็ภาวนาอีก นี่หมดเลยครับนี่หมด